เครื่องอยู่อย่างภาสุกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะนันทยะและกิมิละญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่า จะไม่มีได้อย่างไรพระพทธเจ้าค่าข้าพระองค์ทั้งหลายสังหาจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมชาญที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังนี้คื อ, อยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุขข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ ได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าค่าดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอื่นที่เธอทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อรั ง, งับธรรมเป็นเครื่องอยู่นั้นมีอยู่หรือจะไม่มีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไป ข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังนี้คือยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุขอย่างอื่นที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้บรรลุ เพื่อก้าวล่วงและเพื่อร ง, งับธรรมเป็นเครื่องอยู่นั้นดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างภาสุกอย่างอืน่นที่เธอทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อร ง, งับธรรมเป็นเครื่องอยู่นั้นมีอยู่หรือจะไม่มีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะเพราะปีติจางคลายไป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 พระโสมนัสและโทมนณัสดับไปครรองแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุเจตุจฉานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระโอเบขาอยู่ตามกําหนดเวลาที่มุ่งหวังนี้คือยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุขอย่างอื่นที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อระ ง, งับธรรมเป็นเครื่องอยู่นั้นพระพุทธเจ้าข่า ดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างพราสุกอย่างอื่นที่เธอทั้งหลายได้บรรลุเพื่อก้าวล่วงและเพื่อระ ง, งับธรรมเป็นเครื่องอยู่นั้นมีอยู่หรือจะไม่มีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะเพราะล่วงรูปปัสยานัดับปฏิฆาสัญญา ไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุอากาสานัญจายตนะชานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังนี้นี้คือยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอื่นที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้บรรลุ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 เพราะล่วงอากาสานันจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุวิญญาณนันจายตนะชาญอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวังและถึงเพราะล่วงวิญญาณนันจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายบรรลุอากินจัญญายตนะชาญอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรตามกำหนดเวลาที่มุ่งหวัง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 ข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอื่นที่ยิ่งหรือประณีตกว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกนี้พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอื่นที่ยิ่งหรือประณีตกว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกนี้หาไม่มีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วคล่าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไปท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละตามทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละ ได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะประกาศคุณวิเศษใดของพวกกระผมจนถึงความสิ้นอาสวะในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคพวกกระผมได้บอกคุณวิเศษนั้นแก่ท่านอนุรุทธะอย่างนั้นหรือว่าพวกเราได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าพวกท่านไม่ได้บอกแก่กระผมอย่างนี้ว่า พวกเราได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้แต่กระผมกําหนดจิตของพวกท่านด้วยจิตของกระผมแล้วรู้ได้ว่าท่านเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านเหล่านี้ได้วิหารสมาบัต and this and this and this. ิเหล่านี้และเหล่านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหากระผมจึงทูลตอบเนื้อความนั้น เท ว, วดาสันเสริญพระเถระทั้งสามรูปยักษชื่อทีฆะประรชนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาบของชาววชัชีประชาชนชาววัชีได้ดีแล้วที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ และกุลระบุสามท่านนี้คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่เทพชั้นภูมิมะได้ฟังเสียงของยักษ์ชื่อทีฆะประชนแล้วได้ประกาศต่อไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาววัชีประชาชนชาววัชีได้ดีแล้วที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ และกุลบุตรสามท่านนี้คือท่านพระอนุรุตธท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่เทพชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพชั้นภุมมะแล้วละถึงเทพชั้นดาวดึงเทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิมมานารดีเทพชั้นปรณิมมิตวสวสดีเทพที่นับเข้าในหมู่พรม ได้ฟังเสียงของเทพชั้นปารานิมิตวัสวัตดีแล้วได้ประกาศต่อไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาบของชาววัชีประชาชนชาววัชีได้ดีแล้วที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่และกุลบุตรสามท่านนี้คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่โดยขณะเพียงครู่หนึ่งนั้น ท่านพระเถระเหล่าน <tal Clerk |nospeech|> ั <th dicen anya> ้นได้เป็นผู้ที่เทพทั้งหลายรู้จักกันจนถึงพรหมโลกด้วยประการอย่างนี้การปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นประโยชน์แก่มหาชนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าทีฆะ ข้อนี้เป็นอย่างนั้นทีคะข้อนี้เป็นอย่างนั้นคุณบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากตระกูลใดถ้าตระกูลนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงคุณบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ตระกูลนั้นตลอดกาลนานคุณบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากวงตระกูลใด ถ้าวงตระกูลนั้นเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่วงตระกูลนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากหมู่บ้านใดถ้าหมู่บ้านนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่บ้านนั้นตลอดกาลนาน กุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือบนบวชเป็นบรรพชิตจากนิคมใดถ้านิคมนั้นมีจิต เ, เ, เลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่นิคมนั้นตลอดกาลานานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือบนบวชเป็นบรรพชิตจากนครใดถ้านครนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่นคร น, นั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากชนบทใดถ้าชนบทนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนบทนั้นตลอดกาลนานถ้ากษัตริย์ทั้งมวลมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่กษัตริย์ทั้งมวลตลอดกาลนานถ้าพรามทั้งมวลถ้าแพทย์ทั้งมวลถ้าสูตรทั้งมวลมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สูตรทั้งมวลตลอดกาลนานถ้ามนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมูสัต พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานทีคะท่านจงเห็นเถิด ภะบุตรทั้งสามนี้ปฏิบัติก็เพียงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิสนี้แล้วยักษชื่อทีฆะประชนมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิสของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล จุลโคสิงคสูตรที่หนึ่งจบ 2. มหาโคสิงคสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสารวันสูตรใหญ่ป่างงามด้วยภิกษุมีคุณสมบัติเช่นไร ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันพร้อมด้วยพระเถระผู้เป็นพระสาวกที่มีชื่อเสียงหลายรูปคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะท่านพระมหากัสปะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตะท่านพระอานน์และพระเถระผู้เป็นพระสาวกที่มีชื่อเสียงรูปอื่นๆ ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากะสปะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระมหากะสปะว่าเราไปกันเถิดท่านกะสปะเราจะเข้าไปหาท่านสารีบุตรถึงที่อยู่เพื่อฟังธรรมท่านพระมหากะสปะรับคําแล้วลําดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหากะสปะและท่านพระอนุรุทธะ เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมท่านพระอานน์ได้เห็นท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหากัสปะและท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมจึงเข้าไปหาท่านพระเรวตะถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับท่านพระเรวตะว่าท่านเรวตะท่านสาวรุษเหล่านั้นกำลังเข้าไปหาท่านสารีบุตรเพื่อฟังธรรมเราไปกันเถิดท่านเรวตะ เราจะเข้าไปหาท่านสารีบุตรเพื่อฟังธรรมท่านพระเรวตะรับคำท่านพระอนนท์แล้วครั้งนั้นท่านพระเรวตะและท่านพระอนนท์เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพระเรวตะและท่านพระอนนท์กาลังเดินมาแต่ไกลแล้วเดีอกล่าวกับท่านพระอนนท์ว่าท่านอานนท์จงมาเถิด ท่านอานน์ผู้เป็นอุปทาของพระผู้มีพระภาคผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคได้มาดีแล้วป่าโคสิงคาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจางไม้สาระบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านอานน์ป่าโคสิงคาสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไร ทัศนะของพระอานนท์ท่านพระอานนท์ตอบว่าท่านสาเรบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทางอัฏถะและพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจ และแทงตลอดดีด้วยทิฐิภิกษุนั้นแสดงธรรมแก่บริษัทสี่ด้วยบทและพยัญชนะที่เรียบง่ายและต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อถอนอนุสัยท่านสารีบุตรปาโคสิงคาสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ ะของพรเรวตะเมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระเรวตะว่าท่านเรวตะท่านอานนท์ตอบตามปฏิพานของตนบัดนี้เราขอถามท่านเรวตะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไป ท่านเรวตะปาโคสิงคาสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นมันประกอบธรรมเครื่องระ ง, งับใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่างท่านสารีบุตร ปาโคสิงคาสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ทัศนะของพระอนุรุทธะเมื่อท่านพระเรวตะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะ ท่านเรวตะตอบตามปฏิพานของตนบัดนี้เราขอถามท่านอนุรุท ธ, ธะในข้อนั้นว่าปาโคสิงคาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาระบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านอนุรุท ธ, ธะปาโคสิงคาสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านสารีบุตร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมตรวจดูโลกธาตุพันโลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์บุรุษผู้มีตาดีขึ้นประสาทอันโอาชั้นบนจะพึงมองดูวงกลมแห่งกลงล้อจำนวนพันได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตรวจดูโลกธาตุพันโลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ท่านสารีบุตร ปาโคสิงคาสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ทัศนะของพระมหากัสปะเมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระมหากัสปะว่าท่านกัสปะ ท่านอนุรุตธะตอบตามปฏิพานของตนบัดนี้เราขอถามท่านกัศปะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคขาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาระบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านกัศปะป่าโคสิงค์ขาสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระมหากัศปะตอบว่าท่านสารีบุตร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ตนเองอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดตนเองเที่ยวบินธบาาเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบินธบาาเป็นวัดตนเองถือผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดตนเองถือไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือตรจีวรเป็นวัด ตนเองเป็นผู้มักน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สันโดษตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สงัดตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ไม่คลุกคลีตนเองเป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ปรารบความเพียร ตนเองเป็นผู้สมบูรณ si ok si ok ์ด <ต company, S 2> ้วยศีลและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติ ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัทสนะและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัทสนะท่านสารีบุตรปาโคสิงคาสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ สัะของพระมหาโมคลานะเมื่อท่านพระมหากะสปะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคลานะว่าท่านโมคลานะท่านมหากะสปะตอบตามปฏิพาน์ของตนบัดนี้ผมขอถามท่านมหาโมคลานะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่าง ไม้สาระบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิบย่อมฟุ้งไปท่านโมคลานะป่าโคสิงค์ขาสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุสองรูปในพระธรรมวินัยนี้กล่าวอภิธรรมกะถาเธอทั้งสองรูปนั้นถามปัญหากันและกันแล้วย่อมแก้กันเองไม่หยุดพัก และธรรมมีคาถาของเธอทั้งสองนั้นก็ดำเนินต่อไปท่านสารีบุตรปาโคสิงคาสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ทัศนะของพระสารีบุตรลำดับนั้นท่านพระมหมาโมคคลานะ ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรพวกเราทั้งหมดตอบตามปฏิพัน์ของตนบัดนี้ผมขอถามท่านสารีบุตรในข้อนั้นว่าป่าโคสิงค์ขาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาระบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านสารีบุตรป่าโคสิงค์ขาสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไร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 หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นหีบผ้าของพระราชาหรือราชมหาอมาตย์ซึ่งเต็มด้วยผ้าที่ยอมแล้วเป็นสีต่างๆพระราชาหรือราชมหาอมาตย์นั้นหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเช้าก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเช้าหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเที่ยงก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเที่ยง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 ทรงรับรองทัศนะของพระเถระทั้งหมดครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหมดตอบตามปฏิพันธ์ของตนพวกเราไปกันเถิดพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วจะกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระองค์พระผู้มีพระภาคจะทรงตอบแก่เราทั้งหลายอย่างใด พวกเราก็จักทรงจำข้อความนั้นไว้อย่างนั้นท่านเหล่านั้นรับคำแล้วจากนั้นท่านเหล่านั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรเดือกราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโรกาศท่านเรวตะท่านอานน์ เข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่เพื่อฟังธรรมข้าพระองค์ได้เห็นท่านเรวตะและท่านอานน์กำลังเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านอานน์ว่าท่านอานน์จงมาเถิดท่านอานน์ผู้เป็นอุปฐาของพระผู้มีพระภาคผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคได้มาดีแล้วป่าโคชิงคาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่าง ไม้สาระบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านอานน์ป่าโคสิงค้าสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านอานน์ได้ตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงสุตตะละถึงเพื่อถอนอนุใสท่านสารีบุตร ปาโคสิงคาสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรอานอนท์เมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นด้วยว่าอานอนท์เป็นผู้หูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะ ประกาศพรหมจันทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิอานนนนั้นแสดงธรรมแก่บริษัท4สี่ด้วยบทและพยัญชนะที่เรียบง่ายและต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อถอนอนุสัยท่านพระสารีบุตรกราบทูลต่อไปว่าพระพุทธเจ้าค่าเมื่อท่านอานอนกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านเรวตะว่า ท่านเรวตะท่านอานนตอบตามปฏิพาร์ของตนผมขอถามท่านเรวตตในข้อนั้นว่าปาโคสิงคาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตีแจ่มกระจ่างไม้สาระบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านเรวตะปาโคสิงคาสารวันจะพึ่งงามด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้ว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 ดีละดีละสารีบุตรเรวตะเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นด้วยว่าเรวตะเป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นมันประกอบธรรมเครื่องระงับใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มภูมเรือนว่างท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่า เมื่อท่านเรวตะกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านอนุรุท ธ, ธะว่าท่านอนุรุท ธ, ธะท่านเรวตะตอบตามปฏิพานของตนละถึงท่านอนุรุท ธ, ธะปาโคสิงคาสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านอนุรุท ธ, ธะได้ตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรอนุรุท ธ, ธะเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นด้วยว่าอนุรุท ธ, ธะย่อมตรวจ ด, ดูโลกธาตุพันโลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าขา่าเมื่อท่านอนุรุท ธ, ธะกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านมหากระสปะว่าท่านกระสปะ ท่านอนุรุทธตอบตามปฏิพานของตนเราขอถามท่านมหากัสสปะในข้อนั้นว่าละถึงท่านกัสสปะปาโคสิงคาสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านมหากัสสปะได้ตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้ตนเองอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัด ตนเองที่ยบินธบาทเป็นวัดและถึงตนเองถือผ้าบางสกุลเป็นวัดตนเองถือไตรจีวอนเป็นวัดตนเองเป็นผู้มักน้อยตนเองเป็นผู้สันโดษตนเองเป็นผู้สงัดตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีตนเองเป็นผู้ปรารบความเพียรตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญา ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะท่านสารีบุตรปาโคสิงคาสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรกระสปะเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นด้วยว่า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 ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าเมื่อท่านมหากัสปะกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์เดือกกล่าวกับท่านมหาโมคลลานะว่าท่านโมฆลลานะท่านมหากัสปะตอบตามปฏิพานของตน เราขอถามท่านโมฆลานะในข้อนั้นว่าละถึงท่านโมฆลานะป่าโคสิงค์าสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านมหาโมฆลานะได้ตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบุตรภิกษุสองรูปในพระธรรมวินัยนี้กล่าวอภิธรรมกถาเธอทั้งสองรูปนั้นถามปัญหากันและกัน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 เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านพระมหาโมคลานะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลังจากนั้นข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรพวกเราทั้งหมดตอบตามปฏิพัน์ของตนบัดนี้ผมขอถามท่านสารีบุตรในข้อนั้นว่าปาโคสิงคาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรม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 พระราชาหรือราชมหาอมาตย์น uh ั้นหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเช้าก็ห่มผ้าค so, ู่นั้นในเวลาเช้าหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเที่ยงก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเที่ยงหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเย็นก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเย็นแม้ฉันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิต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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละโมคลานะสารีบุตรเมื่อตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นด้วยว่าสารีบุตรทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิตถือหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าก็ อ, อยู่ด้วยวิหารสมาบัตนั้นในเวลาเช้าหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยง